ทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาพูดกับสิกขามนาแล้วว่าแม่คุณถ้าเธอจะติดตามฉันตลอดสองปีเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันจะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ทั้งไม่คนวนควใช้ให้บวชให้จริงหรือ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 คือทาคนที่เรื่อมใสอยู่แล้วให้เรื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิคธาบทนี้ใึ้แสดงดังนี้